คิดอย่างมีสติอ๋อวันนี้จะทําอะไรบ้างอันนี้แหละเรียกว่ามีสติในการใช้ความคิดไม่เผลอมีความรู้ตัวในการใช้ความคิดในการวางแผนเพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วก็ให้มีสติเข้าก่อนสู่จิตใจเราก่อนเลยจ้องพื้นที่จิตใจเราก่อนอย่าปล่อยให้อารมณ์ขุ่นมองเข้าสู่จิตใจเราต่อไปจะทําอะไรให้รู้สึกตัวจะออกกําลังกายบนที่นอนแล้วก็ทําได้ทำอย่างมีสติ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 กาามารู้ทันเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการนําธรรมะเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราปฏิแปลว่ากลับ <Yeah. S 1> กลับนาธรรมะกลับมาสู่จิตสู่ใจเราโดยอาศัยสติเป็นผู้นํากลับมา <Yeah. S 1> ให้แต่ละวันเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปไหน <Yeah. S 1> อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราใช่ไหมบางคนบอกปฏิบัติธรรมต้องไปที่วัด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 จิตใจจะจดจอ่ออยู่กับแดนงานนะจดจอ่ออยู่กับแดนงานเป็นสมาธิอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันกับแดนงานของเราเนะี่ยทัที่เราจะทํางานไปใจก็คิดปรุงแต่งโอ้จะได้อะไรจากงานนี้บ้างจะทําเสร็จทันไหมเอาเรื่องที่บ้านมาคิดปรุงแต่งเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่มีสมาธิกับการทํางานเลยเพราะเราขาดสติควบคุมจิตใจตรงนี้อยู่ถ้ามีสติควบคุม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 จะกลายเป็นคนคนเดียวกันนะแม้หลายคนถ้าทุกคนมีสติก็กลายเป็นคนคนเดียวกันอันนี้เป็นยอดของความสมักสมานสามัคคีเลยเราไปเรียกร้องความสามัคคีกันภายนอกมันนะมันยังไม่ใช่ของจริงหรอกมันจะเป็นแค่สามาคัคคีแต่ภายนอกแต่ทุกคนถ้าอยู่ด้วยการมีสติมันก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีปัญหา ว, ว่าง่ายสบายเลยแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยแม้แต่การฟังเนี่ย ถ้าขาสติก็เดินเงบุวายขาสติั ง, งนะ <c ười> <c ười> งั้นอ่ะคุยกันบาอันนี้คือขาดสติบางทีจิตใจเลื่อนลอยอมื่อไหร่จะเื่อนิงินได้เวลาทั้งนั้นใจเลื่อนลอยไม่อยู่กับการับคนก็หลนอันนี้คืออาการของการขาสติมันก็แตแกแยกกันไปไอ้ น, นั่นก็ต้องเดินไอ้นี่ก็วงคุยไอ้นั่นก็หลักไอ้นี่ก็เพลอ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 จริในชีวิตประจำวันก็ได้เกิดการรู้แจ้ะรู้ความจริงของชีวิตไม่ยึดมั่นถึงมั่นปล่อยวางภายในจิตใจจะทําหน้าที่ข้างนอกอย่างถูกต้องมีผลมากการจริตเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบุญสูงสุดก็ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรามีการเจริติเ ส, เสมอเนี่ยเท่ากับเราเก็บเกี่ยวบุญได้ทั้งวันเลย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 ใจิตใจไม่มั่นคงไหลไปตามอารมณ์ต้องดูตอนที่มีภยัยคนอาจจะมีสมาธิมากน้อยคนไหนที่จะมีปัญญามากต้องสนทนากันปัญญาต้องเกิดจากการสนทนากันถ้ามีสีมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็อันนี้เป็นสุดยอดของธรรมะเวัดกันได้ที่มีสติหรือไม่ถ้ามีสติแล้วก็มีศีมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานี่แหละเป็นสุ่วมเป็นคุณธรรมเลย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 พราะใจเราต่างหากเป็นผู้นำพาเอาปัญหาชีวิตมาให้เราต้องควบคุมเอาชนะใจเราให้ได้ทุกครั้งที่เรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์บุบหงิดอารมณ์เครียดไม่สบายใจเนี่ยเราทํอยานี้ดูบ้างสิลองฝึกหายใจลึกๆอันนี้ผมเคยใช้มาก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้แล้วก็หายใจออกยาวๆอย่างรู้สึกตัว หายใจเข้าลึกๆก้านไว้นิดนึงแล้วก็หายใจออกยาวๆอย่างรู้สึกตัวเนี่ยทำํำแคเนี้สามครั้งจิตจะปลอดโปรงเลยออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สมองเราปลอดโปงคนที่มีความเครียดฝึกหายใจสักสามครั้งเนี่ยความเครียกก็จะหายไปคนที่มีความโกรธความหมุดหงิดลองหายใจยาวๆ เ, เข้าออกสักสามครั้งมันก็จะหายไป บางครั้งนึกอะไรไม่ออกก็ลองฝึกหายใจเข้าออรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวดูสิมันจะนึกออกเราทํางานไม่เหนืน่อยเราหยุดพักแล้วก็ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกยาวๆสักสามครั้งเป็นอย่างน้อยอาการเหนื่อยทางกายก็จะหายไปจิตใจก็จะสบายเห็นไหมสติกับลมหายใจเนี่ยมันช่วยฟอกกิดฟอกใจ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 เป็นการฝึกสติเวลาเจออารมณ์กับปัจจุบันหรือจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวมือก็ไดนะ้ mm. เคลื่อนไหวมือนะลองเอามือกำมือแล้วก็รู้สึกแบมือแล้วก็รู้สึกเอาสติมารู้ที่มือกำกำ mm. กำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกากำกำกอย่กงนี้ำนะกำกำกำกำกำกนกำกำกำกจกำกำกำกำกำกปกำกมกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกอกอนนำกำกำกำกนกำกำกำกำกำกำก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 อย่าไปโกรธอย่าไปเครียดเพราะความโกรธความเครียดทำให้เราต้องอดทนแล้วกระบายอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดผู้เจ้าบอกว่าเหตุที่จะโกรธไม่มีหรอกเพราะโกรเมื่อไหร่ใจเราก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นฝรั่งกับคนไทยเนี่ยใครอิจฉามากกันผมสังเกตนะโอ้คนไทยเลยอิจฉามากฝรั่งไม่ ก, ก็อิจฉามีเรื่องเล่าว่าที่จังหวัดพิจิโโลกเนี่ย มีร้านอยู่ร้านนึงเนี่ยร้านขายผักปุ้งรอยฟ้าก็ยได้ยินไหมอ๋อผักบุ้งรอยฟ้านี่พิศนุโลกนี่รู้สึกว่าดังมากแล้วคนที่ชอบไปกินคือฝรั่งชอบไปกินนะผุ้งรอยฟ้าทำยังไงผัดผักปุ้งไฟแดงนะผัดผัดเก็โยนแล้วก็รับปั๊บเน่ยใส่ชามฝรั่งจบมือชอบใจอ๋อเก่งมากคนไทยทุกครั้งที่ผัดผัดเ็ษโยนไป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 ก่อนที่จะพิการเนี่ยผมไม่เคยสนใจธรรม ะ, มะเลยโอ้ธรรมะไม่จะเป็นหรอกเราไม่ต้องมีธรรมะก็ได้เรามีงานทำเรามีความรู้ <S <S ถ้าว่าผมไม่เดินดำเนินชีวิตมาทางเส้นทางธรรมแบบเนี้ยชีตผมจะเป็นอย่างไรใช้สภาพพิการมาต้องสามสิบปีทั้งนี้มีความหวังแค่ห้าปีขอให้อยู่รอดเถอะแต่อยู่มาต้องสามสิบปี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 โดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนชีวิตนี้ไม่เคยเลือกแต่ความไม่แน่นอนนี่ล่ะงนั้นต้องระวังไว้นะเตรียมจิตเตรียมใจสนใจธรรมะเอาไว้